ถ้าพวกพนุงพ่อหอมพ่อป่วยวกแกใส่ไอ้กล่องกระดาษใส่มากล่องกระดาษมาเลยมาแล้วก็มาเรียกอ่าทันระครู่อยู่หรือไม่อยู่เอาวันนั้นผมบอกผมอยู่ผมก็ถามเ อ, าอ้าโยงมาทุลาไหแล้วมาเฮ้ะดเด้เข้ามาเข้ามาผมจะมาฝาดศพกับท่านแกพูดอย่างเนี้เฮเอ้ามันจะเป็นไงียมจะตายเ ล, ยล้วรือตายแน่เอรู้ก่อนด้วย ก็รู้ด้วยอย ว, ว่าตายแน่ผมจะตายเอาเดี๋ยวเอาไว้บ้างมันเนี้ยจะมาฝากศพว่ามันมีอะไรตะตังก็มือตะตังมันสองมบัติมันมีอะไรผมไม่ฝากเอาองค์อื่นนะพระองค์อื่นผมไม่เห็นด้วยนอกจากท่านพระคุณผมไม่ไปผมจะมาฝากศพกับท่านอันนี้ผมก็เห็นท่าแกเน้นสาบเหน็นสารไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันเป็นเดือนเดือนอันนี้นผมก็ให้พระ ให้เนนไปตักน้ำมารลายพระมาช่วยอาบน้ำให้แกอาบน้ำถ้าขัดสีชุวีวันจะขาวจะต่คนขาวอะแต่ว่าอายุแปดปีผ้าอายุ 5, แปดปีผ้านี้ผมบอกทำให้เรียบร้อยดีแล้วก็ไปดูว่าผ้าในกลองโอ้โหแกจับยัดมานั่นสกุณเจ้าอะไรแหละก็ทำไมแล้วไม่มีใครปฏิบัติแต่ เราก็ขี้มันเยี่ยมมันดีโอ้โในกล่องนี้พอเปิดชับมังหน้าหงายเลยเอขโทษทั้งหมดนไม่ได้ตรงตกอะดันมาที่ตงหงายเลยใช่ครี้ผมก็ต้องให้เมน์ไปซักให้หมดเอ้ไปเห็นซักแล้วไม่พอใจผมก็ไปซื้อมาใหม่อีกชุดหนึ่งก็ยอมยอมจะไปแล้วก็เอาเอานีดีกว่า ที่หมายทิ้งันนอะของธรรมดับโกที่มันเหมือนสังขารเราไอ้ตัวเราเนี่นี่ไอ้นี่เวลานี่มันตายแล้วมันก็ตายได้ธาตุดินน้ํำลมไฟแต่จิตเราไม่ตายเราไม่ได้กลัวนะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อยู่มาอยู่ขรผมมานสักไม่ถึงครึ่งเดือนแล้วพระคุณเจ้าีวันหนึ่งผมก็จะไปเทศเขานิมนต์ไปเทศองค์โพสันผมก็จะไปก็ถามไม่ยอมสบายอยู่ไหมล่ะเมื่อคืนนี้ เขามาบอกแล้วใครเล่าใครมาบอกพวกเท ว, วดาเออเขาบอก ว, อว่าเขยโวว่าไงเล่าว่าวันนี้เราเราเราเสักสี่โมงเนี่ยเขาจะมารับผมนะเขาจะรถมารับผมผมจะไปนะเดี๋ย ว, วเดวเดรถยี่ห้ออะไรอะไรเอาไรมารับรถยี่ห้ออะไรรถอะไรไอไยี่ห้อเนี่ยผมไม่รู้แล้วว่ายี่ห้ออะไรอ่ะวันนี้เห็นเท้าแกโตโยต้ามาให้คันน ใช่เอาเถอะแน่บอกว่าเขาเจ้รับประรับโยมฉันก็ไม่ได้อยู่ก็โยมเช่ฉันจะไปเทปแล้วผมก็เลยเรียกพระมาองค์หนึ่งแล้วก็เนรมาอีกองคุณคอยตั้งนาฬิกาให้โยมทีมาถึงเวลาเท่านั้นจะไปไหมแล้วผมก็ให้พระตั้งผมกลับมาปุ๊บพอตอนเย็นผมเทศจบผม ก, ร ก, ร ก, ก็รีบกลับมากลับมาพระก็บอกแล้วลุงพ่อ อพอ ก, กรรมการวันเขาไปเอาลงมาแล้วเอาลองมาแล้ ว, อลอลวยอมยอมตายตาไม่ลาเปี้ยเลยตายเวลาพดิกพอดีเลยอย่างจะบอกสี่หม่องเช้าจะไปนี่ท่านผู้ปฏิษัททั้งหลายพวกนักปฏิบัตินะเขาตายเขารู้ตัวอย่างนี้นะและท่านทั้งหลาย <c oughs> พงึพงกินใจเถอะอืเอาละขอบคุณจ่าเท่านี้แหละเอาละก็ลงความว่าถ้าเราปฏิบัติเป็นกรรมฐานได้จิตสะอาดพอเนะ ใช่ความจริงถ้าจิตสะอาดพอและมีบุญพอหวนควรจะเป็นคนให้หนักไปทานก็ได้สิงก็ได้ภาวนาก็ได้ใช่ไหมได้ถ้ากําลังใจเปรูสลอันนี้ตามระเบียบที่พบมาเนะ่ก่อนหน้าจะตายไม่เกินเจดวันเนี่ยเขาจะเห็นเทวดามารับแล้วก็จะบอกอาการบอกว่าจะตายเมื่ อ, อไรที่อยู่ชั้นไหนนี่เป็นเรื่องของเป ร, ร, รูสลนะถ้าพระองค์สนับพระสัมมาสนะัมพุทจ้าในเมื่อพระองค์ทรงเป็นอัจริยะบุคคล ก็สามารถจะรู้ได้เหมือนกันเป็นนั้นว่าเรื่องของ p r o l o n อ า, ายุสังขารก็หมายถึงว่าพระเจ้ากำหนดวันตายใช่ไหมเรารู้ว่าจากวันนี้ต่อไปอสามเดือนเราจะนิพพานทน่ระหวาๆๆ่างนางร่งทังคู่ใช่ไนั่นแหละพระคุณเจ้าแล้วนะตอนนี้ก็จะขอต่ออีกนิดอันที่สองหนึ่งมันมีหลายอันที่สองนะครับที่ก็สองมงเข้าไปแล้วนะี่ตรงกว่าว่าวันนี้มันมีเรื่องอะไรอย่างหนึ่งเนะี่ย ท่านเท่าแก่สุรินจังหวัดพิสนุโลกท่านเอารถมาถวายหนึ่งคันเยรถเนี่ยคนจริงๆท่านมาถวายหมดท่านลดอัตราค่าก็ค่าซื้อไปจริงๆห้ามื่นแปดพันบาทใช่รถราคามันสองแสนห้าหมื่นแปดันแล้วท่านลดให้ห้าหมืนแปดันบาททางวัดคงจ่สองแสนบาท ก็เป็นการมาเ อ, อินมีญาติโยมพุทธบริษัทมาช่วยเยอะก็มีผู้หญิงโยมมามาถวายแสนบาทคันน้ค่ารถแล้วก็เจจันนาวี ร, ระผลถวายป็นหนึ่งหมืนบาทก็มีหลายท่านยอดอยู่ข้างล่างในศาบตภัยบ้างนะอยากจะถามว่านี่เท่าแก่จะนั่งแถวนน้นพี่เนี่ยว 58, นะถวายห้าหมื่นแปดพันตัดไปถวายรถ ถวายรถาัว่าจริงๆมันราคาสองแส0ห้าหมื่นแปดพันเป็นราคานะราคาเดิมสองแสนห้าหมื่นแปดพันว่าเท่าแก่ขอรับเพียงสองแสนไอ้ขอรับก็มันไปนอย่างนี้ผมล้อเท่าแก่กันเล่นว่าบอกราคาแล้วบอกราคาหน้าร้านเท่าไรว่าบอกกับสองแสนห้าหมื่นแปดพันราคาออกจากบริษัทสองแสนสามหมื่นเก้าพันได้บอกเท่านี้กบพอ ก็ลงความว่าผมก็เลยถามเท่าแก่ว่าไอ้ขนาดรถชนิดที่วัดซื้อไม่ต้องเสียตังมีไหมเท่าแก่ okay, เลยไปกลา้าพูดต่พูดผมเอาเลยอะต่อไปก็ลองถามเล่นๆว่าให้สองแสนบาทแล้วก็ส่วนเหลือจากนั้นอีกห้าหมืนแปดันจะให้เป็นโมธนาบัตรเท่าแก่ตกลงเลยแล้วผมก็ไม่มีสตางค์ทำไง เตกลงเรียบร้อยแล้วก็โทรศัพท์ไปกรุงเทพฯท่านจิวิวันถามว่า เ, เงินสองแสนมาหาได้ไหมคุณจิวิวันบอกพอหาได้จะหาสำรองให้ก่อนอันนี้บังเอิญเจอผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารจะที่เรกจะไปกุงไทยโดยไม่เจอท่านก็เจอก้ิกรไทยเขาถามท่านผู้ช่วยว่าเออเงินสองแสนนี้ข อ, ขอถ่ายธนาคารก่อนได้ไหมถ้าใครทํ า, าบุญให้แล้วก็จะให้ได้ รายนั้นบอกได้แน่นอนแล้วทําดับมาให้สองแสนนี่ไม่มีสัญญากู้อดีมีทต่พุกโกงเฉยๆนะเข้าใจไห ม, ไหมแล้วก็บังเอิญการไปการบังเอิญเมื่อวานนี้ก็ดับมาให้วันนี้ก็ได้รับเงินไปจริงๆแล้วประมาณแสนสามหมื่นเศษยังขาดประมาณเจ็ดหมื่นท่านเม่ครูจะทําบุญด้วยก็ได้ <S <S <ม>อยากแยกธาตทราบว่าการถาวายรถไว้ในพระพุทธศาสนาในรถนี้ถถใช่ไหมคือผลของบำเพ็ญกุศลจากกรุงเทพมาที่นี่ และขนของที่จะแจกคนยากจนในถิ่นรา ก, กนดานตามเขตแด น, นต่างๆที่ม่ที่ําบากใช่ไหมอยากจะถามว่าการสร้างรถแบบนี้และญาติโยมบริษัทที่ทำบุญร่วมด้วยจะมีในสงสิงกัการใดครับต่างรู้เรื่องไหมอยากประคุณเจ้าอยากจะรู้ว่าการที่ท่าแก่นี่ยวายรถให้เป็นประโยชน์ในทางพุทธศาสนา อันนี้นะเพื่คุณเจ้าในทางพุทธศาสนามันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วว่าไอ้คำว่าลดรถตัวนี้นะมันมาจากมาจากคาว่าจากกะหรือจักกลางเลยนะแปลว่าจากล้ออันนี้ก็ในพุทธศาสนามันก็มีจักรสี่ที่สําหรับประดุดจว่าลอดลอด์ก้าวไปสู่ความเจริญงอกงามได้อันนี้ใช่อันนี้มันก็มี คือเขาพอใจของเขาคือเขาจะทําับว่าได้ประโยชน์สูงอันี้ผมอยากย า, ามว่าเมื่อกี้ธรรมครูบอกว่าโยมอะไรก็ที่เคยขึ้นเมื่อกี้นี่นะว่าเวลาที่กายตายไอ้วันตายจริงๆเทวดาเอารถทิพยมารับนะตอนนี้พ่อยาติโยนให้ทํ า, าบุญฆ่ารถในเวลากาตายเทวดารถทิพย์มารับหรือเปล่าอะไรนะเมื่อกี้นี่ธรรมครูบอกว่าคนที่เขาจะตายใช่ไหมใช่ เขาบอกว่าเทวดาเอารถทิพย์มารับนะมือก็มีแต่ น, น, ตนี้คนที่ทําบุญค่ารถเกี่ยวพุทศาสนาวันนี้อะถ้าเวลาจะตายบ้างเทวดาจะารถทิพย์มารับไหมมามาเนอะมาแน่ก็จะได้สร้างรถเหล็กใช่เราก็จะได้รถทิพย์แล้วรถทิพย์คันนั้นจะพาไปไหนอะไรรถรถทิพย์ที่เทวดามารับพาไปไหน รถรถเหรอรถทิพย์ที่พระเจ้าทำไมทำไมผมฟังไม่เอยรู้เรื่องเป็นร้อยไอ้รถทุ้งเทวดาเลยรถทั้งเทวดาที่มารักใช่ใช่ด้วยใช่ใแล้วก็เขาพาไปสวรรค์หรว่าพาไปนรกอย่ายจะถามงั้นใช่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยเสียงอู้ไอ้ทำไมทำไมฟังไม่ค่อยใจเยินมั้งไม่ได้ยินมั้งทำไมอารมณ์ความว่า ถ้ามีบุญสร้างรถใช่ไหมพระพุทธเจา้าจรบอว่าสุขโทยานโท โ, โ, ทโหติการให้หยวดยานภานะชื่อว่าให้ความสุขใช่ไหมครับธรรมบาลีว่าอย่างนี้นะใช่ในเมื่อคนที่จะายภานะไว้ในพุทธศาสนาภาหณะนี่ไม่ได้รับจ้างเป็นแต่เพียงว่ารับของที่บำเพ็ญกุศลแล้วกลับมา กับรับของเอาไปแจกคนยากจนในถิน่นวุากันดารอันยโสใหญ่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัใจจัยให้ทุกคนที่บาเป็นกุศลแล้วถ้าตายไปจากโลกนี้ก่อนที่จะตายภายในระยะเจ็ดวันก็เห็นกลุ่มเทวดาบ้างกลุ่มพรมบ้างกลุ่มพระอริยะบ้างนํารถทิพย์มารับใช่ไหมเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดผลอย่างนี้นี่ว่ากันเรื่องรถตอนี้เวลานี้ที่วัดนี้แล้วเมื่อกี้ให้ก็ตาม กันดาญาติโยมพุทธบริษัทยิ่งมุ่งมั่นในการก่อสร้างในพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างที่วิหารธรรมเรื่องวิหารธรรมเนี่ยท่านครูความจริงผมไม่ได้หนักใจในการก่อสร้างแต่เห็นใจญาติโยมมากสร้างมากเท่าไรก็ยังไม่พอกับกำลังใจกับศรัทธาวันดาญาติโยมพุทธบริษัทยิ่งนําจตุกขใจมาขอให้สร้างต่อเรื่อยๆไป ก็อยากจะทราบว่าการสร้างสลา่ก็ดีการสร้างวุติก็ดีที่เรียกกันว่าวิหารพาน์อย่างนี้ญาติโยมที่สร้างจะมีนิสงติดประการใดครับฟังรู้เรื่องไหมเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสลาสร้างอุติเนี่ยมีอนิสงยังไงครับอนีิสงเครออ๋ออันนิสงอันนี้น่ะมันมีในพระคุณเจ้าการสร้างโบสถ์ สร้างศาลาสร้างกุตติแล้วก็การถวายที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้นะครั บ, รบมันมีปัญหาอยู่ว่ามันไปสรุปอยู่ข้อหนึง่งข้อว่าการให้ถวายที่ดินนี่เป็นของสงเรียกว่าให้หมดทุกอย่างใครถวายที่ดินเป็ของสงให้หมดทุกอย่างอันี้การที่จะให้ความสุขนี่ก็ กานสร้างพิยูที่อาศัยนี่ก็ให้ความสุดายแล้วก็สุดใจแก่พระสงฆ์แล้วก็แก่ท่านญาตินโยมที่เข้ามาเป็นนักปฏิบัตินี่นี่ก็ได้แต่ความและความท่านี้จะให้เข้าปลาอาหารนี่เรียกว่าให้กําลังให้กําลังความคิดความนึกหรือว่ากําลังกายให้นี้ต่อท้านต่อความเป็นอยู่ได้อันนี้แล้วถ้าให้พนุมพหุเหมือนอย่าง ท่านทั้งหลายที่ถวายผ้าไกลเมื่อตะกี้นี้อันนั้นเขาเรียกว่าเพื่อให้ปกปิดอวัยว ะ, วะส่วนที่กันหนาวกันร้อนแล้วก็กันเหลือกกันยุงนะอันนั้นก็เรียกว่าก็ได้รับความปกปิดเช่นเดียวกันมีแหละท่านทั้งหลายเมื่อท่านให้ท่านมหาท่านองการจะทราบว่าการให้ที่ดินแล้วก็การให้กับกุฏิสลา แล้วก็ที่อยู่อาศัยอย่างนี้มันก็ต่างกันว่าใครที่ดินเขียว่าให้หมดทุกอย่างครบเลยเพราะว่าอุติติยฐานนี่เดี๋ยวจะมันจะสร้างขึ้นได้มันจะอยู่ในที่ดินต่างอยู่บนที่ดินของคนที่ให้นั่นใช่ไหมแล้วพระสองและคารวะที่มานั่งกันไปตับเนี่ยก็อยู่บนสารานี้สารานี่ก็อยู่บนที่ดินของคนที่ให้แล้วก็ตัวท่านญาติโยมพร้อมทั้งรุงพ่อสององค์นี่ก็อยู่บนที่ดินของคนที่ให้ แล้วก็พร้อมทางพนงพม้อมข้าวปลาอาหารนี่นี่แหละท่านทั้งหลายเขาจำจะบอกว่าอันนี้ท่านหาเวลาเรามันน้อยแต่ก็หน่อยที่หมดมันสองโมงแปดนาทีแล้วท่านมหาเดี๋ยวก่อนครยายยายทราบว่าการสร้างวิหาราชานนะปุติก็ดีสลายก็ดีบุตก็ดีเนี่ยที่ทํามาท่ามาไมทํามาแล้วมันมีผลยังไงครับอันนี้สองก็เราก็จะเป็นพวกเม ที่อยู่ที่อาศัยตรมโอนจะเกิดรสชาติใดพบใดะจะได้วิมานชั้นหนึ่งชั้นใดที่เรียกว่าเพียรพร้อมไปด้วยวิมานนั้นสวยสดหมดเลยเดียยอก่อนอย่างห้องจะเริ่มไปทำอาคารห้องเล็กๆนะห้องหนึ่งญาติโยมถวายห้องละห้าหมื่บาทนี่ยังทําให้เขาไม่ทันอีกร้อยห้องเสรก็ตังเอาเข้ามาแล้วเห็นไหมใช่ตอนนี้โยมสั้งห้องเดียวห้องเล็กๆสี่คูนสี่ เราสร้างการตั้งสิบคนเนี่ยเวลาตายไปเกิดนิวดานไม่ไปนอนเบี่ดกันเลยก็ได้รับเข้าทอทะยุธรรมไปอยู่ปอดุัานเนี่ยนะพระคุณเจ้าเป็นไงคือหมายความว่าเราถวายอห้องกรรมฐานห้องแรกเพียงห้องนึง่งนะแล้วก็นี่เราก็ได้วิมานที่เรียกว่าเขาอยู่ในธรรมศาลาอันใหญ่โตแต่เราก็มีห้องสูงแลห้อง <c oughs> ไม่ใช่ผมอยากจะถามว่าคนสิบคนและคนยี่สิบคนนะ ถวายห้องเดียวออได้ได้ไม่กันก้าเป็นเทวดานอนยังไงไปสต้งนอนซ้อนกันเลยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ซ้อนและพระคุณเจ้าไม่ซ้อนยังไงอ้าวก็ห้อยดีล่ะเนี่ยพระคุณเจ้าส่งรู้ไปอันที่ไปยัไงก็ทวารกายหยาบหยบเป็นมนุษย์แาบนี้แล้วก็มันใหญ่โตใช่ไหมกินยาที่มากใช่ไหมั่านี้ถ้าเราเหลือแต่เจ็บดวงเดียวแลยพระคุณเจ้า เรียกว่ากว้างแต่สอบนี้เราจะอยู่กันได้เป็นร้อยๆเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ก็ขอสุขพระญาติโยมฟังว่าการสร้างวิหารนี้อย่างสลาหลังเล็กๆเราสร้างอย่างหังเนี้ยเราลงมาสร้างสักแสนคนใช่แต่ว่าเวลาที่จะตายไปแล้วมันอยู่หลังเดียวกันใช่ก็ตัวอย่างท่านมายข้ามานมายขมนบคือสิ่ที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านสร้างสลาลูกน้องสามสามคน ไอ้คำภาษาภาษ า, า, า ส, สานิษฐานเขาเรียกว่าดาวติงาใช่ไมไอ้ดาวดิงเนี่ยดาวาษสานิษานเพราะท่านสานิษานคนเนตายจากความเป็นคนมาเข้ามานกกับกบเป็นหนนหน้าก็ไปเกิดเป็นเป็นพระอินท์คณะอก3าิสองคนก็ไปเกิดปเป็นเทวดาแต่วีนีมีวายคนหลังและหลั ง, ลลงไม่รวมกันใช่ไหมแถมช้างที่เขาใช้เป็นภานะก็ไปเกิดเป็นเอราวัณเทพบุตรไม่ได้เบิดอที่ช้างเป็นเทวดา ในช่างที่ทำร่วมด้วยก็เป็นวัตถะเป็นอะไรเป็นมัตถะกุณฑลีไม่ใช่อิสมนุตามเทพปุตใช่ไหมรวมความว่าการสร้างวีหาราธานเนี่ยหลังเดียวแม้แต่หลังเล็กๆจะว่าทำบุญกันหลายคนต่างคนต่างตายไปแล้ต่างคนก็ต่า ง, า ง, า ง, า ง, างว่าจะวิมานใช่ไหมที่เป็นปัจจัยหนึ่งนะตอนนี้ในเมื่อการสร้างวีหาราธานถ้าเราต้องการแค่กรมมาวาจรสวรรค์มันจะได้แค่กามาวาจรสวรรค์ แต่ว่าการสร้างมีฐ า, านะในท่า บ, บรรดาลย่าโยมพระตุบบริษัททุกท่านเอาวิพัฒนายานเข้าช่วยด้วยเือเราสร้างสไลา์ก็ดีสร้างบทก็ดีสร้างของพระติก็ดีมองดูสไลา์มองดูบทมองดูกุฏิที่เราคิดว่าไอของทั้งหลายเหล่านี้สร้างใหม่ๆมันก็ใหม่ดีน่ารักแต่นานปีเข้าก็สุดซงมาทุกปีทีในที่สุดไม่ชาติคือไม่เกิน3ามร้อสหปีมันก็ผ่าน ก็คิดว่าชีวิตเรากับวัตถุนี่ก็มีสภาพเช่นเดียวกันถ้าเรายังจะคิดว่าเรามีความหวังตั้งใจจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปเราก็ไม่หมดความทุกข์ไม่หมดความโศมก็ตั้งใจไปเลยว่าขึ้นขี้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ตัวดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นตดีซึ่งสุขข่กันชาตินี้ตายแล้วก็เป็นิพานใช่ไหมที่รวมความว่าการสร้างวิหารธานมในญาติโยมมุทตบริษัทไม่ใช่ว่าสร้างห้องเดียว หลายแสนคนจะเกิดไปเป็นชาติหน้าป็นธรรมดาต้องไอยู่ห้องเดียวหลายแสนไม่ใด้งี้ยเขาจะมีวิมานคนหลังใช่ไหมใช่อย่างมาทขมานพนะ<ด>รวม<ด>ความว่าวันนี้ญาติโยมที่มาเนี่ยนอกจากจะวางมาค้าบูชาแล้วก็ได้ฟังเทศเรื่องการสร้างเมนการนี่ยังไม่จบนะการสร้างเมนจริงจริงเนี่ยเราได้หลายอย่าง ถ้าเมรนเป็นปัจจัยเปลื่องความทุกข์ของหมู่คนที่อยู่เวลาจะคนไปเผาไม่มีวิผาไม่มีตาบารมีถ้าเราเวลาที่เราไปเผาศพคิดว่าคนที่ตายนี้เดิมก็าเป็นสภาพเช่นเดียวกับเราเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนแก่เหมือนเราแล้วก็ตายก็คิดว่าเขาตายก่อนหน้าเราไม่ใช่เราก็อยาตายแบบเขาซึ้นชื่อว่าการเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เสื่อมแบบนี้เราไม่ต้องการมันอีก คี่เราไม่ต้องการร่างกายเราอีกในชาติหน้าเราไม่ต้องการร่างกายของคนอื่นอีกในชาติหน้าวัตถุธาตุที่เป็นของโลกแบบนี้ในชาติหน้าเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานให้คิดไว้อย่างนี้เสมอๆตายเมาายื่อไรนิพพานมานั้นแล้วก็ต่อ น, นี้ไปก็อยากจถามท่านบนรณฑูร์ว่าเรื่องพระวิหารลทานเราก็ทราบแล้วนะเวลานี้ญาติโยมพุทธบริษัทษสนใจในการสร้างพระวตรูปมาก เวลาถวายสังฆทานนี่ผมสร้างศึกถวายพระพุทธเลยหลังหนึ่งเวลานี่ล้นแล้วแล้วก็บรรลุคาชั้นบนชั้นสองเนี่ยจะเป็นที่เก็บพทะรูปที่บรรดาญาโยมพระสรฆ์สวถวายมาแล้วก็โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระรูปสี่สอกเป็นปูนเนี่ยที่เป็นะชำระหนี้สงอัตราองศาหมื่นบาทเวลานี้ญาติโยมจองมาแล้วร้อยองค์กว่าผมยังไม่รู้เลยว่าชีวิตผมเนี่ย จะสร้างหายาโยมทา น, นนั้านนี้ตายก่อนทำไมรู้อยากจะถามว่าการสร้างพระพุทธรูปนี่มีอะไรสมเด็จประการใดครับสร้างพระพุทธโลกครับครับแหมพระคุณเจ้านี่สร้างเอาจริงๆจังๆสร้างหลอกได้ามาละเพระโดไม่นานแน่น่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสมัยสําเร็จเป็นองค์เป็นแถวหมดใช่ใช่นะร็<ร>คุณเจ้าอยากจะรู้ว่าการสร้างพระพุทธโลกไปแล้ว มันจะได้อา น, นิสงฆ์ยังไองอันนี้นะมันเป็นพุทธบูชานี่แหละใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยงพุทธบูชานี่คือหมายความว่าศาสนานี้เป็นศาสนาของพระสมณะโคดมพระคุณเจ้าก็สร้างลูกพระสมณะโคดมเป็นพุทธบูชานี่ขเขาชาวเขว่าเมึ่อต่ออายุตรอพุทธศาสนา สองต่ออายุคนที่มีส่วนตละทรัพย์ตละดกำลังกายกำลังปัญญากำลังทรัพย์ไปสร้างะพชโลมสามนั่นก็เป็นจุดที่เรียวกว่าในสำหรับให้ประชาชนส่วนรวมเขากลาบไหวบูชากันนี่แหละพระคุณเจ้ามีสามจังหวะอย่างนี้ที่เรียวกว่า พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาณประคุณเจ้าเออเ้าโคตรตงบูชาบูชาเขาเล็กมาได้นะใช่ที่บาลีที่เราตั้งเอาไว้เป็นภาษาเรียกว่าภาษาไร้แก้วอีกเหล่าว่าพุทธบูชามหาเตชะวันโตนั่นแหละธรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาภูกรโห ồ ไดไม่อยากจะทราบความหมายเนี่ยถามว่ามหาพุทธบูชามหาเตชะวันโตนี่พ่อ คนที่สร้างอย่างท่านมหาอย่างนี้ก็ตามหรือท่านญาติโยมอันนี้ก็เรียกว่าจะมีเด็กมีอำนาจวาสนาดีแบบนี้มหาเตชะวันโตปัชมารมโยอันนี้ก็เรียกว่าคนไม่มีปัญญาเขาก็ไม่กลา้ามาสร้างคนมีปัญญาเขาจึงสร้างได้คนมีปัญญาเนี่ยคนที่ไม่มีปัญญาก็มองเห็นด้วย ไอ้ น, นี่เป็นทองหลงืองทองขาวไอ้ น, นี่เป็นอิฐไอ้นี่เป็นปูนไอเนี่เป็นตัวไอ น, นี่เป็นทสายไปกราบไหว้มาได้อะไรวะแน่คนที่ไม่มีปัญญาก็อมองเห็นไม่ได้แน่นั้นอันนี้ที่คนมีปัญญานี่มันพุท ธ, ธปฏิมาก่อนนี้ไม่ได้จะเป็นอะไรก็ตาม ส่งไจำเป็นนเมื่อมาเป็นลกูกผู้พุทธเจ้ า, จาว่าจำเป็นจะต้องกราบไหวบูชานี่คนมีปัญญานะลและ้วก็สังคบูชามหาโพธขวโหติโลกนาฉังพุทธังทมบางสังคังอ้คือูุิยามินี่ผมต่อให้อีกหน่อยนะต่อให้นิดอันนี้คนที่จะมีทรัพย์ภายในแลวจะมีทรัพย์ภายนอกเช่นเงินทอง แ, แหวนช่างม้าหวัวควายอย่างนี้ได้กเพราะว่า เขาได้สรางพขะพุทธเจา้าพระทรรมพระสงฆ์ของเขาเขาจึางได้เรียกว่าสังเขาบูชามหาโพธิโหทียกนาถทางทา ง, งทั้งขั้ในปุชยะอยามิคนเดินดีๆเขาจะเกิดทุกภพทุกชาติเขาจะได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่กราบไหวบูชาเป็นที่ยึเดเหนี่ยวแห่น้ำใจของเขาทุกขัน้นและคุณจ า, าว่าหมายความว่าเกิดทุกชาติจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนั้นใช่ เรื่อคนมีความสลาดจริงบูชาเระพุทธรูปใช่ไหมใช่แต่ว่าผมว่าคนฉลาดในโลกนี้มีสองแบบแบบที่หนึ่งฉลาดดูพ่อพุทธรูปแล้วนะเป็นเหตุให้นึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมจัดว่าเป็นพุทธามุตติกรมฐา น, ไ ด, น, านได้เป็นพุทธานุตต<อ>ินได้เนเจ้าเป็นเอาพุทธามุตติกรมฐานนี่มีกาลังใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าทร ง, งยืนยันกับอธิษฐานุภักดิ์รามว่าคนนึกถึงแต่ชื่อเราอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดเปรติวดานี่ไม่ใช่นับร้อยไม่ใช่นับพันไม่ใช่นับหมื่นนับแสนนับเป็นโกรธใช่ไหมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาอย่างหนึ่งคือนึกถึงพระเจ้าเป็นสันนิแต่คนอีกคนหนึ่งเขาถึงพระเจ้าที่เรียกว่าพุทธังส น, นังกระฉามิพระเจ้าขอถึงพระพุทธรูปเป็นลิขุน พอเจ้าของเผลอทำอะไรเอาจะาพุทธเจพุทูปไปขายเมื่อนั้นพวกที่เพระพุทูปไปขายเนี่ยเรื่องของโบสถพุทธรูปมีในสงฆ์ยังไงครับอะไรพวกที่เอาพระพุทูปไปขายก็ดีนะอ๋อพวกคือพุทธอาจจะตัดขอพระพุทธเจา้าแล้วก็ <c oughs> เอาพระพุทธโลกไปเทิ้งไปขายได้หรอรหวังเพื่อกาไรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวไปวันนั้น นี่พวกนี้มันเป็นพวกกระจกกระจอกนี่พระคุณเจ้าข้าทำไมพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกคนพานลมากามกาได้ความลาโลภความโกรธความหลงอ่าเราจะพูดก็เลยชัดไปกันหน่อยก็พวกนี้นะตัวเขาเป็นคนนะคุณเจ้าครัครับแต่ว่าจิตเขาไม่ใช่คนนะจิตเวลนอะไรเป็นธรรมดาอา้าวเป็นเปลดิดเปลดิดช่โอ้เด๋ยวเดี๋ยวไอ้เปลดิดไอ้ลูกเลามันเป็นยังไงนะนี่ ผมจะบอกใลยนะแล้วก็ท่านญาติอยอมแล้วก็กำหนดนดนีนะกำห น, นดนนดนีคนที่มีโทสะเป็นเจ้าเรือนใครพูดกระทบอารมณ์นิดหน่อยก็ไม่ได้จะล้อเล่นก็ไม่ได้โกรดแล้วก็ท้าตีท่าต่อยท้าตบท่าเตะ แ, แล้ไม่ท่านั้ก็ คมแห็งเขาเลยเนี่ยพขาเปรต น, นะคนชนิดนี้นะพระคุณเจ้าตัวเขาเป็นคนใจเขาเป็นสัตว์นรกไม่ใช่เปรใช่ยังไม่ใช่เปอตแล้วก็ถ้าหากว่าโทสะนี่เขาเรียกว่าโทสะขี้ไฟคือโทสะคนชนิดนี้อายุไม่ยืนก็จะต้องตายไวโลกโ<อ>ลก็มากเพาโทสะมันเผา มันเผาบ้านเขาคือตัวเขาเลยแล้วก็ขอโทษนะครับในคนประเภทนี้ที่วัดปลากองขันเท้าผหาได้ไหมอ้าวผูหาได้ที่วัดตัวนอ้าวโดยมีเจ้าว่าใช่ไหมใช่ไม่ต้องการบอกปากอมาขามเท้าแล้วที่นั่งอยู่คีเยอะนี่แม่ว่าเจ้าว่าจะขอปกครองขามเท้าเป็นเปลกใช่คนที่เป็นแปลกเนี่ยดูง่ายกินเจ้าโดยมาก่านญาติยอมที่นั่งอยู่เนี่ย ไดยินแต่คำว่าเปลจะไม่เคยเห็นสักทีแล้<อ>วไปงั้นไอ้เจ้าแปลเนี่ยท่านญาติทันยอมุหมมันก็อยู่ที่คนคนใดก็ตามที่มีโลภคือความโลภเป็นเจ้าเรือนชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นชอบศิจาเลจทยาคนอื่น ฝากละแม้บางคนไี่พูดธรรมะธรรมโมเป็นคุ้งเป็นแขท่ทีเดียวแต่ว่าด่านจิตใจโลภมากอยากได้รับคนอื่นมาเป็นคนตัวอยู่เสมอคนชนิินี้เขาเรียกว่าตัวเป็นคนแต่ว่าใจเป็นเปรตนะอ่าบางคนประคุณเช่าที่วัดผมนะถ้าที่ที่เมี่ไม่เห็นผมไม่รู้นะแต่ที่วัดผมน ะ, ะนีเน่เป็นไงเป็นไง วัดโชมันมาทําบุญเนี่ยไม่มีตะกล้ามากันมีจานมาใช่ไหอ oh. จานมันมีมันมาลูกเดียวเวลามันกลับมันเอาของวัดใส่ผสมขอ้มันไป oh. จะสองํามลูกนี่ น, น้อยนี่ยนี่นะนี่เปรดละเปรตละเดี๋ยวก่อนนี้ก่อนคนประเภทนี้แถ่ว่าธรรมภูมิหละนี่ทําไมดันสักเสือกส่งมาทางนี้ด้วยล่ะอา้าวเชื้อสายอ<ม>ยูย่นู่นเนี่ยมันส่งมาทางนี้ไม่ได้ไไดหรอกดูไม่ไเล่า มีคนเขามันมากไม่ปลอดตาแคเปน็นยางไงเน่เราพวกอาตุลกายอาุรกายนี่นะเป็นยังไงเลยพวกอาตุลกายนี่ไม่ชอบทําดีอาุะละแปลว่าไม่ชอบทําดี<อ>เห็นใครทําบุญทํากุศลเปลีนเห็นใครจะไปเป็นกรรมการวัดจะเป็นทายกวัดเปลี่ยน<อ>แม ยันแถมปากคมซะด้วยสิเป็นไงเป็นไงเข้านี่กูถามมึงจริงๆริงเะวามึงไปทำบุญเหรอกูเห็นเอาข้าวเอาน้ำเค้าขนมนมเนยไปเต็มกระจ่าตะก้ากลับมาก็เห็นได้กระจ่าเปล่ามึงได้บุญตรงไหนวะนี่ยนะได้บุญที่ไหน มือเขาถามอย่างนี้นี่พ่อสซลกายเลยใช่<อ>มือพ่อโซลกาย<อ>แล้วก็อย่างนี้นะของผมมีชีวัดผมมีหลายอย่างใชว่ะเนี่ยนี่ <laughs> ไอเด็กคนนึ่งอายุมันสามสิบกว่ากว่ามันก็อยากจะมาเป็นกรรมการวัดก็เขาบ้างอยากจะช่วยหากคนเท่าๆแกๆเขาจัดดูแลวัดวาอารามให้มันเรียบร้อยมันก็เข้ามา แคนี้ไอ้คนที่เป็นอสุรกายเพื่อนเพื่อนมั น, นมันบอกเลยเฮ้ยมึงไปสุระอะไรเขาเมืองนั่น่ะออก็ทายกกรรมการวัดเขาก็มีแล้วมึงก็เสือกไปทำไมอีกล่ะผนี่แน่เสือกไปยุ่งเขาทำไมนะไม่ต้องไปยุ่ง